ธันวาคมพุทธศักราช2557วันนี้พวกเราได้ออกมาฉันอยู่ที่ศาลานอกแต่ทำไมเพราะว่าศาลาในของเราที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวว่าเราจะต่อปีกข้างศาลาเพราะหลวงพ่อจะขึ้นไปฉันข้างบนไม่ได้ก็ให้ช่างเขา มาต่อเติมศาลาปีกศาลาออกแต่เราจะได้ฉันข้างล่างเพราะนั้นเมื่อวานช่างเขาก็เลยมาทำหลุมขุดหลุมเพื่อจะต่ อ, ตอเสาต่อปีกศาลาข้างในหลวงพ่อก็ได้บอกพระว่าถ้าเราันฉันข้างใน เดี๋ยวพวกผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุเดี๋ยวจะไปชนตกหลุมตกบอ่อตกหลุมเสาอีกออกมาฉันข้างนอกจ้าในช่วงที่เขาต่อเติมเขาทำงานที่ศาลาเลยมีออกมาฉันข้างนอกนะก็นัทถายาิโยมลูกหลานจนกว่าศาลาจะข้างในจะเสร็จนะแต่ในช่างเขาก็บอกว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะไม่ได้ทำ อะไรมากจะจะต่อเติมจะต่อเติมปีกให้กว้างขวางขึ้นแล้วก็ส่วนที่จะพวกเราจะปูพื้นออกมาอย่างไรอย่างไรอันนั้นก็คือหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดกันอีกทีนึงแต่หลวงพ่อคงจะทำแบบเรียบง่ายคงจะไม่มีอะไรมาก แต่ถึงยังไงออกมาฉันข้างนอกนี่นก็สบายดีอยู่นะศาลากว้างขวา ง, วาง <c oughs> ก็ไม่ไกลจากศาลาไหนเท่าไหร่เ <c oughs> มื่อวานวันที่ 7, เจ็ดพวกเราก็ได้เมือม่อเมือม่อฉันเมือ่อพระฉันจังหารเสร็จแล้วก็มีการบวชพระไว้ในพระพุทธศาสน า, ามีกูบาหมอท่านหมอ เมื่อเรียนจบหมอแล้วได้ทำงานสมปีเสร็จแล้วท่านก็ได้เสียสละบวชก็นาอนุโมทนาเห็นแล้วก็คนที่เด็กหนุ่มคนที่มีวัยขนาดนี้ยังไฝ่ในการกุศลหลวงพ่อวหาได้ยากแต่ถึงจะบวชได้มากน้อยนานเท่าไหร่ อันนั้นก็สุดแท้แต่บุญบา ร, รมีแต่ละคนแต่จะไปตั้งจิตแล้วไปพูดเลยว่าข้าพเจ้าจะไม่ศึกถ้าพูดก็พูดได้นะแต่พูดในใจอย่าไปพูดออกมาข้างนอกถ้าพูดออกมาข้างนอกแล้วถ้าเรารักษาสัจจะแล้รวรักษาคําพูดนั้นไม่ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องที่ ไม่ไม่ควรจะมีเพราะนั้นถ้าพูดพูดในใจอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดในใจนะเออหลวงพ่อเนี่ยพูดในใจมาตลอดข้าพเจ้าเนี่ยคงจะในชาตินี้ก็คงไม่ลาสึกขาละนะอันนี้หลวงพ่อพูดในใจมาตลอดแต่จนนูนะ่นจนถึงอายุมากถึงขนาดนี้นะพวกเราคงได้ยินวันนี้ใช่ไหมแต่ก่อนมันคงไม่เคยได้ยิน เพราะนั้นการบวชในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อว่านเอาผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจมาบวชในพุทธศาสนาบวชเข้ามาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่บงสาคณาญาติคือตระกูลยอมรับแต่ บางคนที่พวกเราได้ยินได้ยินประนามกันทั่วบ้านทั่วเมืองบางครั้งนะพอบวชเข้ามาล้วก็ทำตนไม่ดีเสียหายในพระพุทธศาสนาอันนั้นหน้าตำหนิแต่ถ้ามากบผู้ใดบวชเข้ามาใช้เมื่อบวชเข้ามาไม่หมายกับเป็นผู้ตั้งใจแต่พอบวชเข้ามาแล้วถ้ามันทะเลทลายก็ไม่อยู่จะไม่อยู่อยู่ทำไม จูเพื่อทำให้พุท ธ, ทธศาสนามัวหมองอันนี้เราก็ต้องได้คิดเองนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะอาศัยพระพุทธศาสนาทำความชั่วช้าเสียหายอันนี้ก็ไม่น่าถูกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองนะจะทำอะไรจะให้มีความเสียหายเพะเราเป็นสากตะยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า บวชเข้ามาทั้งทีเราบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเขาบวชเข้ามาแล้วกันนะทำตนให้เป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรเราให้ปฏิบัติตามนั้นเนวาศาักยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นสากยะ เป็นตระกูลสากยะแต่ท่านยังรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นแต่ศรีตาสาแตามีตมมาลูกใครก็ไม่รู้พอเข้ามาบวชแล้วพระพุทธเจ้ายัางนับเนื้อว่าอันนี้คือสากยะบุตร เ, เป็นบุตรของสากยะเป็นบุตรของเราตถาคตเพราะนั้นพวกเราที่เข้าหมัวบวชแล้วต้องต้องทำตนให้ดีสรุปแล้ว อ, อ, อย่าให้ทำอะไรให้เสียหาย เพราะเราเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้าท่านรับนับเนื้อมาเป็นสากยะสากยะบุตรเพราะฉนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเราก็ควรจะลดเลิกละในสิ่งเหล่านั้นแต่ตามไม่จริงผู้ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่บางคนที่เขามาบวชในครูบาอาจารย์ของพวกเรานะ อย่างหลวงปู่เตอร่ยังไงหลวงปู่จามเคยเล่าให้ฟังหลวงปู่เตอร์เนี่ยโอ้สมัยก่อ น, น, น, เ, นเนี่ยเป็นคราวาสเนี่ยเป็นนักเลงในท้องถิ่นอคําว่ากลัวใครนั้นไม่เคยมีเนเลยหลวงปู่เตืร์นะอพอเขามาบวชเป็นนาคผมบวชเป็นนาคหลวงปู่จามพูดให้ฟังแล้วเขามาขโมยควายาในเขอญาติและในพ่อแม่แยังไม่ชัดเจน หลวงปู่ตื่นเฮอสัยก่อนน่ะนะเมื่อเรายังนั่นน่ะทำไ ม, ไมันไม่ไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นวะนะผู้ไหนยังญาติพี่น้องก็ได้ห้ามปรามาไว้อย่าอยายห ย, ยุดหุดเขาเราเข้ามาสู่วัดแล้วนในเมื่อท่านเข้ามาบวชท่านก็ใช้ความเด็ดเดี่ยวใช้นักเลงของท่านความเด็ดเดี่ยวของท่า น, นออกมาประพฤติปฏิบัติเออเอาจริงเอาจัง ในหลักธรรมคําสอนจนเป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นอันนี้ก็คือหลวงครูบาอาจารย์ที่ท่านใช่ความเด็ดเดี่ยวคือนักเกรงของท่านความแข็งแกร่งของท่านแต่แต่แข็งแกร่งของท่านหนักไปในทางศีลธรรมจริยธรรมสิ่ง ท, ที่ที่มันไม่ดีไม่ทาทำแต่สิ่งที่ดีจนเป็นที่ยอมรับของ ครูบาอาจารย์ในยุค ข, ของของท่านอันนี้ก็มีนะแล้วก็มีหลายๆองค์อย่างหลวงปู่ล่าก็เคยพูดให้ฟังคนที่เป็นนักเลงมาก่อนเนี่ยเขามาบวชถ้าไปในทางดีมันดีจริงๆนะแต่เด็ดเดี่ยวนะเออกล้าพูดกล้าแสดงอ่าแล้วก็กล้าทำรรสิ่งที่พราะจิตใจเด็ดเดี่ยวจิตใจอาถรรพ์ อันนี้ก็มีประโยชน์เป็นประโยชน์มากนะแต่ถ้าเราไปทางผิดแล้วก็ล้งไม่อยู่เหมือนกันอันนี้หลวงปู่ลาดท่านก็เคยพูดให้ฟังเพราะนั้นพวกเราอย่าไปถึงขนาดนั้นเถอะนะแต่ก่อนที่จะเข้ามาปวดทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจให้เป็นพระที่ดีให้มีศีลมีธรรมก่อนที่จะทําสิ่งไหนก็ตาม แต่ความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่บางท่านบางคนเมื่อสมัยเป็นคารวาดตำต่าตินู่นตินี้ตีพระอย่างนู้นติพระอย่างนี้พระไม่ดีอย่างนูพระไม่ได้อย่างนี้นก็เคยมานเคยมาบวชที่วัดหลวงพ่อเหมือนกันพอเข้ามาบวชโอ้ยทำตัวไม่ดีเลยเป็นที่ตำหนิหลวงพ่อก็ตำหนนะินี่แหละ อันนี้ก็มีมีเหมือนกันแต่เมื่อตัวเองอยู่ทางครวญตาหนิคนอื่นแต่พอเขามาบวชแล้วนะตัวเองทำเช่เองอันนี้ก็เคยมีเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งใจ อย่างพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็เหมือนกันเนี่ยที่จะนําลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานหลวงพ่อเองก็ไม่ถึงกับว่าเอากันกลองอย่างละเอียดทีถ้วนหรอกแต่ถึงยังไงก็ตามพ่อแม่ก็ต้องการกลองเป็นอันดับแรกซะก่อนเออลูกคนนี้ของเราเนี่ยนิสัยดีมีมัรยาดจากนั้นก็เอามาบวชในพุทธศาสนาพอบวชแล้วก็จะได้ให้คู่คนทั้งหลาย ได้กราบไดไหว้เคารพสักการะบูชาอาตัวเองภาคภูมิในในตระกูลอแต่ไม่ใช่ว่าบางคนลูกเหลือขอพ่อแม่เอาไม่อยู่เอามาบวชในพระพุทธศาสนาเหมือนกับอะไรตัดหางปล่อยวัดในคนโบราณเขาพูดนะอตัดหางปล่อยวัดพอตัดเข้ามาหางปล่อยเวลาหายเงียบไปเลย ไม่มา เ, เยี่ยมมากล่ำมมากลายเลยเปล่อยทิ้งไปเลยผลในสุดผู้ที่เขามาบวชก็ทั้งที่จะเป็นคนดีเออเอาเถอะข้าเลวมาพอแรงแล้วต่อนี่ไปข้าจะเป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ดีถ้าได้อย่างนั้นมโอ้ดีเลิศนะแต่พอเขามาบวชบางคนก็เอาความเลวของตัวเอง ผลที่โชคร้า ก, กินเหล้าเมายายาเสพตุงยาเสพติดเอามาพระเนในวัดทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้พระที่เคยผ่านความเลวทางครวัตมาแล้วนะเข้ามากมาเสี่ยมสอนพระในวัดเอกนะทำให้เสียหายอันนี้ก็ได้ยินอีกเหมือนกันนี่แหละหลวงพ่อว่ า, าลูกหลาน ผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่ต้องกันกรองพอสมควร เ, เมื่อบวชเข้ามาแล้วกันะให้ชํำรวมกายวาจาของตัวเองเอแต่ตามไจริงบางท่านบางคนก็โอ้เห็นไหมองคุลิมานต่กอนก็ท่านกุลเลวฆ่าขนเท่าไหร่แล้วเข้ามาบวชก็ยังได้เป็นพระหรหัน์พวกลูกหลานของเรา เอามาบวชจะไม่เป็นอย่างนั้นบ้างเหรอนะแต่มันน้อยนะน้อยแต่ถ้าเราศึกษาในประวัติขององคคริมานเลยองคคริมานไม่ใช่ไม่ใช่ผู้มีนิสัยเสียหายมามาแต่เกิดนะเออตั้งแต่เกิดขึ้นมาเออเกิดขึ้นมา เ, เขาก็ตั้งชื่อว่าอาหิงสาผู้ไม่เบียดเบียนเออ เพราะว่าพร ะ, พระองคคริมาเนี่ยเป็นลูกของปุโรหิตตายจาร์ของพระเจ้าปัเสนนะเป็นปุโรหิตใหญ่พอเกิดมามาเกิดเนนท่าโ ห, หราศาสตร์เขาก็บอกว่าเกิดในช่วงช่วงโจนช่วงนักเลงช่วงโจนพอเกิดขึ้นมาในคืนนั้นอ่ะ หอกดาบแหลนเหลาเกิดแสงสว่างขึ้นมาในเวียงในวังในที่ใดๆมีแสงสว่างขึ้นมาในหอกดาบแหลนเหลาอ่ะพระเจ้าเปิดเสีย น, นอนไม่หลับทั้งคืนบรรทมไม่หลับทั้งคืนมันเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นแต่พอพุ่งในเช้าพราหมณ์โปโรหิตตายจาร์ท่านเป็นผู้ดูดวงดูดาวอีต่างหากท่านก็ออกพอลูก เกิดออกมาเท่านั้นอ่ะท่านก็ออกไปดูในท้องฟ้าอาไปเห็นโอ้ลูกของเราเนี่ยเกิดในเอ่อในลึกลกโจรลึกมหาโจรนะอขนโบราณนะนะอาจากนั้นพอท้องทองเช้ามาก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าปเสนโอ้เสียงแสงอะไรเมื่อคืนมันเกิดขึ้นใน ห, หอกแหลนหลาวสว่างไปหมดมันทำไมอเรื่องอะไร ปโปรหิตตายจาน์ก็บอกว่าที่เป็นนิมิตขึ้นมาเมื่อคืนนี่ที่มีแสงสว่างขึ้นมาพราว่าลูกของข้าพระ อ, องค์เกิดในเลือกโจรเน่เพราะนั้นขอให้พระ อ, องค์ จ, จัดการเนีเอามาฆ่าคฆ่าจะจะไม่เป็นเด็กๆซะก็แล้วไปจบไปมอบให้พญาประสิทธเอท เ, เขาจะเป็นโจร โจรกลุ่มใหญ่เป็นมหาโจรกลุ่มใหญ่แล้ว่าโจรคนเดียวเขาเป็นโจรคนเดียวนะจะเป็นโจรคนเดียวนะเออโจรคนเดียวไม่เป็นไรเราปราบได้ถึงจะเก่งขนาดไหนผมไม่มีคงไม่เหลือเหลือบากว่าแรงฮนะเอาเลี้ยงไว้เถอนะอาจากนั้นโโลหิตตายจานก็เลยตั้งชื่อว่าอาหิงสาผู้ไม่เบียดเบียนฮะนี่แหละความเป็นมาขององคุริมานจากนั้นพอเลี้ยง ขึ้นมากับเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เ, าเป็นเด็กที่ฉลาดมากจากนั้นก็ไปส่งไปเรียนเมืองตะกัศิล า, นะ เ, าเมืองตะกัศิลาเป็นเมืองวิ ช, ชาในยุคสมัยนั้นอพอไปเรียนแล้วก็เป็นหัวหน้าหมู่อีกนะ เ, เป็นหัวหน้าคณะเอกเอนักเรียนทั้ง4 500้าร้อคนองคุริมาเนี่ยเป็นผู้นำํำแปลว่าเป็นผู้ใกล้ชิดอาจารย์อาจารย์ได้นําสั่งสอนอาจารได้มด จากนั้นเขาเอามาสอนพวกหมูอีกพวกรู้รู้ได้ช้าหัวถือนะเอามาสอนหมูอีกทีนี้หมูทั้งหลายก็ว่าดตัวเองเนี่ยมาเรียนกับอาจารย์แต่ทําไมถึงมาเรียนกับในอเหิงสะเอามาสอนอีกทีหนึ่งจริงหรือไม่จริงก็งหม่รู้ถ้าเราไม่กําจัดไอ้ น, นี้ออกซะนั้นเราก็ไม่เข้า เราคงไม่ถึงอาจารย์หรอกนะในลักษณะอย่างนั้นหลวงปูลนิสโธก็เลยนะหาเรื่องใสองคคริมานนะะียออหิงสาเนี่ยว่าใครเข้าไาจัดตั้งจัดตั้งจัดเป็นหมู่ขึ้นมาสี่ห้าหกคนขึ้นมาก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ อ, อหิงสาเนี่ยไปไว้ใจมันมากนะดูๆแล้วนิสัยไม่ค่อยดีนะอาจารย์เฮ้ยเราดูมาตลอด มันไม่มีอะไรอหิงสาสเป็นเด็กดีมากกี่กลุ่มหนึ่งเข้าไปอีกสิบยี่สิบคนเขาไปบอก อ, กอาจารย์ไอ้หิงสาสอย่าไปไว้ใจนะเป็นคนไม่ดีนะเด็กไม่ดีนะไปไว้ใจเสียหายนะนเนี่ยมันเกาะแก่กับแม่บ้านของอาจารย์นะเอออาจารย์แบบอื้อ ไม่ใช่นะสูเจจะไปหาคิดอย่างงั้นเป็นเด็กดีน่ะเอออีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปอีกพอหนึ่งสืบสูตรหลายคู่ต่หลายคนเออเขาพวกเขาจัดตั้งใช่ไหมละ่ะจัดตั้งขึ้นมาที่จะหาเรื่องเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้น่ะพวกเราให้ฟังเอาไว้นะเออให้หนักแน่นให้หูให้หนักแน่ น, น, น, น เ, ออเมื่อเขาจัดตั้งเขาจะทํำลายทําร้ายทำรา้ำรายผู้ใดใครเนะี่ยเออไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้นะ อ, อ่า เขาพร้อมที่จะจัดการนะพอในที่สุดก็ไปหลายกลุ่มต่อหลายคณะเข้าไปอาจารย์ที่แรกก็เที่ยงตรงใช่ไหมละ่ะเอพอหลายคู่หลายคนเข้ามาหลายกลุ่มเข้ามาอาจารย์ก็เอียงเอเท่เหมือนกันเลยเอ๊ะมันคงจะจริงมั้งวะถ้าหากว่ามันไม่จริงเนี่ยเขาคงจะไม่หาเรื่องคงจะไม่มากขนาดนี้อันนี้ไปรู้กีก่กลุ่มกี่กลุ่มเข้ามาล่ะเอ๊ะ เราจะเอาอยัางไงวะมันคงจะจริงละมั่งเนี่เลยแต่ทั้งที่มันไม่จริงนะแต่ว่าพวกนั้นอิจฉาท่านเองนะเอความอิจฉาของกลุ่มนั้นท่านเองเพรผะในสุดอาจารย์จะฆ่าเองถึงเราจะจัดการฆ่าเองเอก็เสียประวัติเพราะว่าเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหากระวานนี่ยอาจารย์เนี่ยฆ่าลูกศิษย์ที่ว่าลูกศิษย์ทําตัวไม่ดีมีการฟ้องขึ้นมาแล้วก็เลยจัดการฆ่า เอาเถอเราจะยืมมือคนอื่นฆ่านะนี่แหละอาจารย์วางแผนน่นนั่นเองอาจารย์ก็บอกว่ า, าหิงศัอเธอที่เรียนจบแล้วนะเกือบจะจบแล้วแต่ยังมีวิ ช, ชาหนึ่งที่เราให้ใครยังไม่ได้อยู่ในตัวของเราแต่วิ ช, ชานี้เป็นวิว ช, ชาพิเศษมากถ้าเรียนจบแล้วนะแปลว่ า, าแผน่นเหยียบแผ่นดินกระเดืองเลยล่ะเ อ, เอาไหม ดังอีเสียก็เอาครับถ้าเอาได้กรณีน่ะจะต้องเอานิ้วมือของคนมาบูชาอาจารย์ให้ข้าบอกเป็นเป็นเป็นเครื่องบูชาบูชาวิชาตัวเนี้ยจะต้องเอานิ้วมือคนมาบูชาอาจารย์อาจารย์จิกประสิทธตประสาทวิชานี้ให้องค์ุลิมาดโวยไม่เอาเงินทัารนาท่านผมไม่เอาแล้ว ไปตัดนิ้วมือใครจะไปให้นิ้วมือนะอาจารย์กับขยันขยอยเห็นเอ่กรมกล่อม อ, องคขลิมานเพราะทูตองที่มานก็ยอมอพอยอมเสร็จแล้วก็อถ้าท่านอาจารย์เห็นว่าบันดีดีถ้าไม่ดีแยกไงถ้าอาจารย์บอกว่าดีมันต้องดีนะเอยถ้าอาจารย์ดีเอาผมก็เอาเอืมเอาไป หาไปเอานิ้วมือคนนะเอามาพันพันเดือยนะอจึงจะมาอาจารย์จึงจะประสิทธิ์ประศาสา์วิชานี้ให้ อ, องค์ุลิมาได้ก่อนนี่แหละแต่ก่อนเขชื่ออหิงสะนะานี่หนุ่มอหิงสะนะาจากนั้นก็ไปขอนิ้วมืออผมขอนิ้วมือด้วยครับจากนิ้วหนึ่งครับใครจะไปให้ใช่ไหมล่ะเอไปขอนิ้วมือเขาใครจะไปให้เพราะในสุด พอเขาไม่ให้นะมีตัดคอเลยพอตัดคอเสร็จแล้วก็เอานิ้วมือคนนั้นก็ตัดตัดไปเรื่อยเนะี่ยวันสองวันแรกคนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคนยังมัวเมียดเนาะมันก็ตัดไปเรื่อยแล้วมันก็ตัดนิ้วมือไปแต่ไม่จริงนิ้วมือของคนไม่ใช่99้นิ้วนะมันกว่าเพราะเห็นนุไดเพราะตัดทีแรกเนะี่ยตัดเสร็จแล้วเราไปไว้หมกดินเอาไวบ้บาง ถมดินเอาไว้บังเอาไว้ในกิ่งไว้บางเน็บไว้บังนักษารายกั น, น, นเอพอโพอนิสุดพอตัดแล้วก็กลับมาหากลับมาหามก็หาไม่เจอพบทั้งมดทั้งอะไรทั้งกาทั้งอะไรข่าบไปกินทั้งหมูทั้งหมาข้าบไปกินเขีย้ยปกินบังได้บังไม่ได้บังพอเนสุดก็เลยเอหาเชือกมาทีไหนพอตัดได้ทีไรก็มามัดแล้วก็แขวนขอมัดแล้วแขวนของคงจะเหม็นน่านดูนะหลวงพ่อว่านะ นิ้วมือคองคนหนะ่ะแขวนคอนะ เ, อเขาตั้งชื่อว่าองค์คุรีองคุรีกือคื อ, คอนิ้วมือโจรที่มีนิ้วมือออยู่ในคอองค์ุรีองค์รงคุรีมานโจรแหม่ก็เลยมัดนิ้วมือติดคอรอบคอนะคงจะหลายรอบยังมันพบเป็นพันแหม่เอาแขวนคอตัวเองเลยท่านคงจะเหม็นน่าดูนะ่ะหลวงพ่อว่านะมันจะเน่าอ่ไงหัวในสุกันี่ยตัดไปเรื่อย จนถึงได้499คนนะถ้าเป็นใครก็เถอะไม่ไว้ทางนั้นเออเห็นข่าวนี่นั่นฮะอ่าในคืนนั้นน่แม่อยู่ที่กรุงสวัรถีได้ทราบข่าวว่าส่วนพระเจ้าปเสนที่โกศล น, นี่ก็พอทราบข่าวว่าองคุริมานนะลูกของโพโรหิตเป็นมหาโจรล้วออพระเจ้าแผ่นดินก็เตรียมพร้อมล้วนะยกจะยก ท, า ท, าทาหารเข้าไปลว ไปล้อมจับเพราะมันเดือดร้อนนะแต่นี่องคุริมาเนี่ยก็ยังหาคนอยู่ที่จะตัดนิ้วมือคนทางแม่เนี่ยก็ได้ยินข่าวว่าพระเจ้าประเสียนที่กวรสวนจะยกทัพไปผู้แม่เนี่ยก็โอ้เราก็จะต้องไปบอกให้ลูกหนีซะก่อนเถอะน่นะพ่อแม่กับลูกไปเป็นยังั้นะถึงยังไงมันก็ยังเป็นลูกของตอนเองอยู่ด้วยความรักรักรักลูกนะ แต่พระเจ้าปเัเสธเนี่ยก่อพอเสร็จแล้วกเ็เตรียมพร้อมเลยกนนะพระพุทธเจ้ารู้นะพระพุทธเจ้าท่านนั่งเข้าสมาธิคือสมาบัติก่อนที่จะสว่างในวันนั้นนะท่านมองดูสัตวโลกในขอบจักรวาลมองมองดูใครจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลจะได้ไปช่วยใครบ้าง องคุริมาเนี่ยเข้ามาในในข่ายในพยานคือเข้ามาในข่ายในจอเรดาร์ของพระพุทธทเจ้าเเข้ามาในจอเรดาร์คือในข่ายในพยานเอ๊ะมันเรื่องอะไรเนี่ยก็เรารู้รว่าโอ้ถ้าหาว่าแม่ขององคุริมาเนไปหาองคุริมาองคุริมาจะไม่ไว้ไขทั้งหมดถึงจะเป็นแม่ก็เถอะตัดคอเลยวันนี้ในเมื่อองคุริมาฆ่าแม่เท่านั้นแะอนันตริยกรรมห้า มาตุขาตฆ่ามารดาปิตุขาตฆ่าบิดาอรหันตะคาตฆ่าพระหรันโลหิตตุบาตทําร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้ห้อสังฆเพศยุยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายองค์ุริมาเนี่ยจะตัดมรรคผลนิพพานชาตินี้ไปว่าไม่ได้มรรคผลนิพพานแล้วแปวันนับหนึ่งใหม่บุญกุศลที่ได้มาทั้งหมดที่สังสมมาเป็น เ, เป็น เป็นกับกับมาแล้วเป็นอสงไขามาแล้วหมดเกลี้ยงเลยเพราะทำบุญคราวนี้ไปว่าทำบาปคราวนี้บอกหนักมากเราควรจะไปโปรดองค์คริมานพระพุทธเจ้านะท่านมองเห็นนะท่านเกิดออกไปแต่เช้ามืดเลยท่าเดินไปพอเดินไปกลไปเห็นชาวนาชาไล่เขาโอ้จะไปไปในะสัมมาณะาารูปงามองคึกมหาโจรอยู่ที่นั่นนะ เอไม่ไว้ใครเลยนะแย่าท่านจะไปนะพระพุท ธ, จทธเจ้าท่านได้กินแต่ท่านเอาทำเหมือนกับเอาหูทวนลมอย่างงั้นแหละท่านก็เดินไปเลยเลยพอไปไปเห็นองคุลิมานท่านนะองคุลิมานก็ะปีเข้ามาเลยถือดาบพระพุทธเจ้าใช้อิอทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าก็เดินธรรมดาแต่แต่องคุลิมานเนี่โอ้โหวิ่งขนานหนักแลยมันวิ่งตามท่ออะไรก็ไม่ทัน พระพุทธเจ้าก็เดินธรรมดาเพราะพรองค์ใช้อิทธิฤทธิ์นไม่ให้เดินองคุลิมาลตามทันในผลที่สุดอ ง, องค์ุลิมาลเนี่ยเาก็บอกนะยุดสมณะยุดยุดสมณะยุดยุดสมณะยุดคือให้หยุดตัวเองจะได้ไปทันจะได้ทำร้ายทำลายเพื่อจะเอานิ้วมือพระพุทธเจ้าบอกว่าองคุลิมาลเราหยุดแล้ว เราหยุดแล้วอ อ, องคุคลิมาบอกว่าชัมบนาโกหกหยุดแล้วทําไมไปอยู่ยังเดินยังวิ่งอยู่เชัมบนาโกหกพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแต่เธอเท่านั้นแหละย่งไม่หยุดเราตะทายโคตร ห, หยุดแล้วหยุดในการเบียดเบียนหยุดในการทําร้ายหยุดในการทําความชั่วมีแต่เธอนะะั่นนัะอย่างไม่หยุดเราหยุดแล้วะ พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นแนะ่ะองคุริมารเหมือนกับคําพูดนี่แหละก็แทะเข้าไปในหัวใจขององคุริมานาท่านเป็นปราดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ใ, ใจของท่านเป็นปราดอยู่แล้วแต่ว่ากิเลสภายนอกมันครอบงําพอก็แทกนะท่านกับนั่งคุกเขา่าวางดาบเลยเอพอวางดาบพระพุทธองค์ก็ไปกลับไปตันี้นก็ไปแสดงทําให้ฟังเธอต้องหยุดอย่าไปเบียดเบียนสัตว์จากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงแนวอริยสัตว์ สมุทัยนี้โรธมักองคุลิมานก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ในขณะนั้นพอบวชเป็นพระเป็นพระหรหันต์เสร็จแล้วกันอคงจะโยนของทิ้งทั้งหมดคพระรงองค์บวชให้เลยเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วนพระองคุลิมานับบริขานลอยมาเลยเอาจากนั้นก็นเดินตามหลังพระพุทธเจ้า มาเลยเถมาเข้ามาวัดป่าเชตะวันพอมาก็มานั่งพอตอนใช้สายเพระเจ้าปเสนที่กโกศลว่าก่อนที่จะไปสู้รบตบศึกที่ไหนนะจะต้องมากราบพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อเอาเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลที่ได้มากราบพระพุทธเจ้าก่อนถ้าว่ามีอะไรพระพุทองค์ก็จะได้แนะนําบอกกล่าวท่านคงจะไม่เตือนหรอกพิ่งโกเจ้าว่ า, เ, าเพียงคล้ายๆกขาว่าเห็นแล้วก็ พระพุทธเจ้านะครับขอความเมตตาอย่าให้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นให้เรื่องราวสงบไปลักษณะอย่างงั้นแต่มากราบพระพุทธเจ้าทุกครั้งจะไปสู้รบตบศึกที่ไหนแต่วันนั้นก็เหมือนกันจะเอายกกองทัพไปล้อมองคุลิมานก็ามากราบพระพุทธเจ้าพอมากราบพระพุทธเจ้ามหาปพิธจะไปไหนวันนี้คือแต่งตัวทหาร นักครบท่โอ้ข้าพระองค์จะไปปราบนั่นละลูกชายของโปรหิตตายจานชื่ออเฮงสาเขาไปเรียนอยู่นั่นเป็นโจรขึ้นมาเบียดเบียนคนอย่างมากพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะได้เอาทหารไปล้อมจับเพราะมันทำร้ายทำรายคนพระพุทธเจ้าบอกว่ามหาโปริษ ถ้าว่าองค์คุริมานเขาบวชล่ะถ้าเขาบวชมหาปพิธจะทํำยังไงโอถ้าเขาบวชแล้วก็ข้าพองค์เขาจะต้องได้กราบ เ, าเขารบศักดิระเขานั่นละถ้าเขาเป็นคนดีนะถ้าเขาเป็นโจรก็อย่างว่านะก็ต้องใช้กฎระเบียบบ้านเมืองนะอพระพุทธองค์บอกว่ามหาปพิธนี่แหละองค์คุริมานพนอะอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้านั่เองนี้นี่แหละนี่แหละองค์ุริมานนะ เอ่ออเฮงสาสเนี่ยพระไอเิงส า, อ า, งสาโอ้พอพระเจ้าประเสียนได้ยินเธอเนะี่ยเกือบเกือบจะเขยงหนีเลยเหมือนกันเถอะเพราะเพราะความกลัวเพราะกิตติศัพท์ของท่านองค์คลิมานไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมเอพระองค์บอกว่ามหาบุพพิตรไม่ต้องกลัวไอองค์คลิมานนะเนี่ยท่านเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเออหมดจดจากกิลเลสแล้วเป็นพระอารหันต์แล้วนะี่นี่แหละ เออเป็นพระที่แท้จริงนะเขาหยุดแล้วในสิ่งเหล่านั้นเนะี่อจากนั้นพระเจ้าประเสียงก็จะได้กล่าว อ, องค์ุลิมานยกมือไหว้ออาจากนั้นก็ถอยทับกลับเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือองค์ุลิมานเนี่ยนิสัยดั้งเดิมของท่านนะเป็นคนดีอแต่ว่าถูกใส่ความก็คงเป็นกรรมของท่านในอดีตชาติเหมือนกันนะแล้วก็พร้อมกันก่อนเนี่ย ในเรื่องนี้หลวงพ่อตำแหนิอาจารย์อาจารย์ขององค์คลิมานตำแหน่หน้าตำแหน่อย่างมากทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายหน้าตำแหนิงอาจารย์อาจารย์ไปว่าไร้คุณธรรมไร้ศีลธรรมไร้จริยธรรมในจิตในใจของอาจารย์อาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าไม่เที่ยงตรงไม่ดูดูแล้วหน้าตำแหน่งหน้าตำแหนิงโดยประการทั้งปวง ที่อาจารย์ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายองค์ุลิมานที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังองค์คุลิมานเป็นคนเมตไส้ ด, สดีแต่ถ้าจะพูดในเรื่องของโจร น, นั่นก็มันเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไเปเลือกเลิอกอยู่ในเรือกของโจรเลือกของมหาโจรที่พ่อเป็นโปรหิตอาจารย์ เป็นผู้ดูเลือกดูยามแต่ยังไงแต่นิสัยขององคุลิมาเป็นผู้นิสัยดีมาโดยตลอดแต่ถึงยังไงในบุพกรรมขององคุลิมาเนี่ยก็เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสวยพระชาติที่ในอดีตชาติไม่เว้นองคุลิมานเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ดุร้ายแต่ถึงยังไงก็ยังเชื่อในธรรมคำสอน ของอาจารย์ของของพระพุทธเจ้ายังไงยังก็งให้ความเคารพถึงจะเป็นมหาโจนขนาดไหนก็เถอะถ้าพระพุทธเจ้าไปแล้วต้องสยบต้องยอมรับคือเป็นคนกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็อย่างว่านะมีทั้งคนดีคนเลวแต่ถึงยังไงก็ตามคนเลวขนาดไหนก็เถอะแต่ถ้าผู้มีมีอำนาจผู้มี บุญบารมีเขา้เขาไปบอกแล้วก็เชื่อฟังกันยอมรับกันพรามันเป็นบุพกรรมเก่าเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยมาถึงยุคนี้พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณองค์คลีมานกันเนี่ยเป็นมหาโจรอย่างนั้นพอเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปโปรดเท่านั้นพระพุทธเจ้าพูดคําเดียวหยดุดเราหยุดแล้วองค์คลีมานมีแต่เธอเท่านั้นแต่ยังไม่หยุด เ, ยเธอเน่ยยัง เบียดเบียนยังออทําความชั่วอยู่ยังไม่หยุดแต่เราได่หยุดแล้วเลยเพียงคำนี่คำเดียวก็แทกหัวใจขององคุลิมานองคุลิมานหยุดออวางดาบทันทีเลยเพราะคําตรัสของพระพุทธเจ้า น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือองค์ลิมานเป็นคนดีนะข้ะาศร้าญาติโยมลูกหลานถ้าไม่ดีท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ได้ยังไงใช่ไหมบุญบารมีของท่านของพร้อม แต่เอาเถอะถ้าว่าไม่มีพระพุทธเจ้าไปโปรดก็ออล่อแหลมอีกเหมือนกัน่ะอล่อแหลมอย่างมากเลยเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านได้ฆ่าแม่ท่านั่นแหละไปบวบุญบา ร, รมีของท่านในอดีตชาติทั้งหลายทั้งปวงมดนับหนึ่งใหม่เลยเอพอตายจากชาตินี้ท่านก็ลงนู่นเวจีมหานรกกว่าจะจะพ้นขึ้นมาได้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่หมื่นปีเลย อยจริงจะพ้นมาได้พอพ้นมากขนาดนันอนจะมาเกิดมาแล้วกันสร้างบารมีใหม่อีกเลยนับหนึ่งใหม่นับบุญใหม่ขึ้นมาอีก เ, อเพราะนั้นพวกเราทุกๆกท่านนะได้เกิดมาในภพพุทธศาสนาสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูด อ, อย่างที่หลวงพ่อเคยยกเป็นพุทธภาษิตนะอัตตังทุกตังเสยโย ปัจชาตปติทุ ก, กตังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังทุกวันนี้แนี่แหละที่แรกว่าตัวเองฉลาดไม่มีอะไรพอกรรมเก่ามาให้ผลนั่นนะ่ะตัวเองเดือดร้อน ค อ, อตกเลยตอนนี้โมดสภาพเพราะอะไรเพราะกรรมเก่าที่ตนได้กระทำไว้เน่ยมันให้ผลเพราะฉะนั้นในพวกเราสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทํานะตั้งปัจจุบันให้ดีตั้งแต่บัดนี้เมื่อปัจจุบันดีแล้วอนาคตก็ดีถ้าหากว่าปัจจุบันขณะนี้ไม่ดีอนาคตของเรามันก็ไม่ดีนะเสียหายเดือดร้อนนะ ต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดแนวหนึ่งให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา